การภาวนาต้องจับหลักให้แม่นแล้วทางใครทางมันวงเล็บเปิดยี่สิบสี่มีนาคมสองพันห้าอห้าสิเอ็ดในวงเล 1, ็บหนึ่งจุดจุดนาทีสิบสามวงเล็บปิดอุบายของคนคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นเอาไปใช้ไม่ค่อยได้ผลหรอกกิเลสใครกิเลสมันสิทางใครทางมันสิจับหลักให้แม่นแล้วทางใครทางมันจับหลักให้แม่นแล้วเดินไปคนเดียวเป็นเพื่อนกันได้นะ แต่เวลาทางดำเนินของจิตแล้วเดินคนเดียวทุกคนเพราะในความเป็นจริงทุกคนเดินคนเดียวเดินไปตามกระแสะกรรมของเรานี่เองเส it it ้นทางนี้จึงเป็นเส้นทางของผู้ไปคนเดียวเรียกว่าเอกานยมักแปลได้หลายอย่างแปลว่าเส้นทางของคนที่ไปคนเดียวก็ได้เส้นทางสายเดียวก็ได้เส้นทางของบุคคลผู้เดียวคือพระพุทธเจ้าก็ได้นะเส้นทางที่บรรลุแล้วเดินครั้งเดียวเมื่อเดินไปแล้วสุดทางแล้วไม่มีเดินย้อนกลับ เดินไปครั้งเดียวไม่ใช่ว่าเดินแล้วเดินอีกเป็นพระอาหารหันต์แล้วอีกวันกิเลสเกิดใหม่ไม่ใช่คําว่าเอกายนามัคนะมีนัยยะกว้างขวางมากเลยเป็นทางของท่านผู้เดียวท่านผู้เป็นเอกคือพระพุทธเจ้าเป็นทางสายเดียวที่ถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นทางของผู้ไปคนเดียวเป็นทางที่ไปครั้งเดียวไปแล้วไม่ย้อนกลับหลังมีหลายนัยยะต้องเรียนนะทางเส้นนี้ไปด้วยการรู้รู้อะไร รู้กายรู้ใจรู้ตรงไหนรู้ตรงปัจจุบันรู้อย่างไรรู้ตรงตามความเป็นจริงที่เขาเป็นอยู่กายนี้ไม่เที่ยงกายนี้เป็นทุกข์กายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์จิตไม่ใช่ตัวเราเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราหรือไตรลักษณ์อันนีจังทุกขังอนัตตานี่แหละของจริงไม่ใช่ดูกายเป็นปฏิกูลอสุภนะปฏิกูลอสุภาไม่ใช่ของจริง ปฏิกูลอสุภะไม่มีสภาวะรองรับหรอกอย่างเราบอกว่ากะปิหอมเนยเหม็นอีกคนหนึ่งว่าเนยหอมกะปิเหม็นศกรปรกก็ไม่ใช่ของจริงหรอกหรือบอกว่าศบเน่าเนี่ยไม่ดีนอนบอกอร่อยเราบอกคนตายแล้วเหม็นนอนบอกหอมนี่ไม่เหมือนกันฉะนั้นปฏิกูลอสุภะไม่ใช่ของจริงนะแต่ความไม่เที่ยงนี่เป็นของจริงอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงเป็นความทุกข์นี่เป็นของจริงอะไรอะไรที่เกิดขึ้นมาก็เป็นทุกข์ทั้งสิน้น ความไม่ใช่ตัวเรานี่ของจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ปรากฏให้เรารับรู้อยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ร้วนไม่ใช่เราบังคับไม่ได้ทั้งสิ้นเลย